ไม่ได้อยู่ที่กายไม่ดอยู่ที่ใจ <laughs> เป็นไงวะอยู่ทีก่การกระทบนะอธิบายเฉยหยาดเยิมเลยนะอธิบายอย่างดีเลยนะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายเหตุผลอย่างดีก็หลายฉบับหน้าหน้าฟังนะอแต่แต่ที่นี้คือคําตอบ <laughs> คือคาตอบ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 น่าจะเกิดกะดับมันไม่สมดุลกันก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะตัวทุขังขึ้นมาคือตัวแปรปรวนนะเมื่อเวทนาทั้งสามที่เราสวดไปเมื่อกี้สุขังเวทนางเวทิยะมาโนเมื่อสวยความสุขคำว่าสวยนี่แปลว่าอะไรสวยแปลว่าอะไรแปลว่ากินใช่ไหมแปลว่าบริโภค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 ตัวอย่างเป็นฝีมือของน้องอะไรตะดาวันเนาะทาบอกว่าเราอนุโมทนาสาธุความตั้งใจของเออเธอเสียสลัดทั้งวันเลยนัมาทำเรื่องนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไม่ไม่ให้เหนื่อยเกินไปนะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะนําเสนอวันนี้ก็คือว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันมันเป็นการเข้าไปทุกครั้งเนี่ย ถ้าเราจะลดน้ำํำเราก็ยังมือเสียอย่าไปลดรู้ว่าถ้าไปพอใจซ้ำซํำๆๆในเรื่องใดก็ตามทุกครั้งที่เราพอใจรากเงาและรากฝอยของความพอใจก็จะแยกมาเป็นอย่างเนี้ยเป็นกรมวชันธาโลภะอุปาทานเป็นโลกเป็นร า, าคะอะไรมันก็จะงอกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาแง่ของความคิด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 1ิบชิน้น2ี่สิบชิน้นแล้วตลอดชีวิตของเราก็ตกเป็นธาตุข อ, ง ค, องความพอใจนะ้าตุองความพอใจแล้วความพอใจสิ่งที่เราพอใจนี่มันก็เป็นตกเป็นกฎของไตรักคือจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องเก่าต้องเสียโทุศพัพท์เครื่องนี้ซื้อมาตั้งหลายหมื่นนะวันหนึ่งมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาอา้าวโอ้เสียดายเสียใจไปหลายวันข้อมูลทั้งหมดด้วยไหนหมดหายหมดเลยใช่ไหมโอ้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 ให้รูปนามเนี่ยมอีอะไรมีประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมมันไม่สบายก็ทำให้มันสบายขึ้นมาบ้างแล้วก็รู้ว่ามันไม่สบายเพราะอะไรเพราะเราไปตอบสนองความอยากของเรามากเกินไปต้องทำงานหามลูกหามข้าต้องเรียนกันทั้งวันทั้งคืนเรียนแค่แต่เล็กๆเลยนะเพื่ออะไรเพื่อจะหาวัตถุมาตอบสนองความอยากเรีนวงทูังค้าวเรีนเร่องแอนุบาลนนะ่ะเด็กแทนที่จะได้โตตามธรรมาชาติใช่ไหม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 เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของไตรลักษณ์ทีนี้เราจะทำไงให้มันเป็นที่ตั้งของไตรสิขาก็ต้องเอาตัวตั ว, ตวแปรคือตัวสติสัมญาที่เราฝึกเนี่ยเข้ามาเป็นตัวอาตาปีตัวอัตาปีหมายความว่ามันจะต้องเพียรด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะถ้าไปเพียรด้วยวัดปฏิบัติต่างๆปแปลกๆเนี่ยเขาเรียกว่าตบะอย่างพวกฤาษีเขาทำใช่ไหม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 เนี่ยภาคปฏิบัติปัญญาต้องมาก่อนนะแล้วก็ตามด้วยความจริงปัญญาแนละ้วมันต้องไปศีลเนะียถึงจะถูกใช่ไหมแต่นี่เป็นเอาสมาธิและศีลศีลเป็นสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิตามหลักของเรียนคือตัวสมาธิที่สมมาสภาวะเป็นปัญญาใช่ไหมสมาวิจารสมากรรมตะสมาอาชีวะเป็นศีล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 อันนี้เรื่องนอกเรื่องนะอไหมกับปิตายสี่ขาเอาแล้วตอนนี้เรามาถึงตอนนี้ตอนนี้ก็คือมรณะกับอมาตะทำมันก็ใส่เข้ามาลูกน้ำเหมือนกันรูปเนี่ยมันจะนําไปสู่มรณะคือตายรูปเดียวแต่น้ำเนี่ยมันนําไปสู่อมตะคือมันไม่ตายนะเพราะฉะนั้นคําว่าตายหรือมรณะในความหมายของภาคปฏิบัติหมายถึงความโศกเศร้าเสีย ใ, ใจความไม่สบายใจความ